พระตรปิดกเล่มที่9พระสูตรที่11เอเกวัตตสูตรเรื่องปฏิหารสามอย่างสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณสวนมะม่วงของปาวาริกาเศษฐีเขตเมืองนาลันธาครั้งนั้นบุตรขหาหบดีชื่อเกวัตตะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ เมืองนาลันธามั่งคั่งอุดมสมบูรณ์มีประชากรมากมีพลเมืองหนาแน่นที่ล้วนเลื่อมใสในพระผู้มีพระภาคข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานวโรกาสเถิดขอพระผู้มีพระภาคโปรดมีพระบัญชาให้ภิกษุสักรูปหนึ่งที่พอจะแสดงอิทธิปาฏิหารโดยอุตริมนุสธรรมได้ซึ่งจะทำให้ชาวเมืองนาลันทาพากันเลื่อมใสในพระผู้มีพระภาคมากขึ้นสุดจะประมาณ อุตรีมนุสธรรมคือธรรมะยอดยิ่งของมนุษย์ธรรมะของมนุษย์ผู้ยอดยิง่งได้แก่ฌานวิโมกสมาธิสมาบัติยานัทสนะมักคภวนาการทำผลให้แจ้งการละกิเลสความที่จิตปล่อจากนิวรความยินดีในเรือนว่างเมื่อเขากราบทูลอย่างนี้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าเกวัตตะ เราไม่ได้แสดงธรรมแก่ภิกษุอย่างนี้ว่ามาเถิดพวกเธอจงแสดงอิทธิปาฏิหาริย์ด้วยอุตริมนุษธรรมแกข่ข้ารหัสผู้นุ่งห่มผ้าขาวเกวัตตะอย่างยืนยันกราบทูลซ้ำเรื่องเดิมอีกสองครั้งรวมทั้งหมดเป็นสามครั้งพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเกวัตตะเราทำให้แจ้งปาฏิหาริย์สามอย่างนี้ด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้ว จึงได้ประกาศให้รู้กันปาฏิหารสามอย่างคืออะไรบ้างคืออิทธิปาฏิหารอาเทศนาปาฏิหารและอนุสาสนีปาฏิหารอิทธิปาฏิหารเกวัตะก็อิทธิปาฏิหารเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้แสดงฤทธิ์ได้หลายอย่างคือคนเดียวแสดงเป็นหลายคนก็ได้ หลายคนแสดงเป็นคนเดียวก็ได้แสดงให้ปรากฏหรือให้หายไปก็ได้ทะลุฝากำแพงและภูเขาไปได้ไม่ติดขัดเหมือนไปในที่ว่างก็ได้ขุดขึ้นหรือดำลงในแผ่นดินเหมือนไปในน้ําก็ได้เดินบนน้ําโดยที่น้ําไม่แยกเหมือนเดินบนแผ่นดินก็ได้นั่งขัดสมาธิหอบไปในอากาศเหมือนนกบินไปก็ได้ใช้ฝ่ามือลูกคลำดวงจันทร์ดวงอาทิตย์อันมีฤทธิ์มาก มีอนุภาพมากก็ได้ใช้อำนาจทางกายไปจนถึงพรหมโลกก็ได้เพราะเหตุนั้นผู้ใดผู้หนึ่งที่มีศรัทธาเลื่อมใสเห็นภิกษุนั้นแสดงฤทธิ์ได้หลายอย่างผู้นั้นจะบอกแก่บุคคลผู้ที่ยังไม่มีศรัทธายังไม่เลื่อมใสว่าน่าอาจจัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏสมณะมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากเลิเกินข้าพเจ้าเพิ่งเคยเห็นท่านนี้ ที่แสดงฤทธิ์ได้หลายอย่างเมื่อเป็นเช่นนั้นผู้ที่ยังไม่มีศรัทธายังไม่เลื่อมใสจะพูดกับผู้ที่มีศรัทธาเลื่อมใสว่าท่านมีวิชาประเภทหนึ่งเรียกว่าคันทาริหมายถึงวิชาที่ฤาษีคันทาระเป็นผู้ธทรรมอีกในหนึ่งหมายถึงวิชาที่เกิดในแคว้นคันทาระซึ่งมีฤาษีพำนักอยู่มากเขาจะบอกว่าภิกษุนั้น แสดงฤทธิ์ได้หลายอย่างเพราะมีวิชานั้นเกวัตตะท่านเข้าใจเรื่องนั้นว่าอย่างไรผู้ที่ยังไม่ศรัทธายังไม่เลื่อมใสจะพูดกับผู้ที่มีศรัทธาเลื่อมใสอย่างนั้นหรือไม่เขากราบทูลว่าต้องพูดแน่พระพุทธเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเกวัตตะเราเล็งเห็นโทษในอิทธิปาฏิหาริย์อย่างนี้จึงเหนื่อยหน่ายประอารังเกียจเรื่องอิทธิปาฏิหาร อาเทสนาปาติหารเกวัตะาก็อาเทสนาปาติหารเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ทายจิตทายเจตสิกทายความวิตกวิจาร์ของสัตว์อื่นของบุคคลอื่นได้ว่าจิตของท่านเป็นอย่างนี้เป็นไปโดยอาการอย่างนี้เป็นดังนี้เพราะเหตุนั้นผู้ใดผู้หนึ่งที่มีศรัทธาเลื่อมใสเป็นภิกษุนั้นทายจิตทายเจตสิก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 จิตของท่านเป็นอย่างนี้เป็นไปโดยอาการอย่างนี้เป็นดังนี้เมื่อเป็นเช่นนั้นผู้ที่ยังไม่ศรัท ธ, ธายังไม่เลื่อมใสจะพูดกับผู้มีศรัท ธ, ธาเลื่อมใสว่าท่านมีวิชาประเภทหนึ่งเรียกว่ามานิกาวิชามานิกาได้แก่วิชาจินดามณีผู้รู้วิชาจินดามณีสามารถรู้ใจคนอื่นได้ เขาจะบอกว่าภิกษุรูปนั้นทายจิตทายเจตสิกทายความวิตกวิจารณ์ของสัตว์อื่นของบุคคลอื่นได้ว่าจิตของท่านเป็นอย่างนี้เป็นไปโดยอาการอย่างนี้เป็นดังนี้เพราะมีวิชามนิกานั้นเกวัตตาท่านเข้าใจเรื่องนั้นว่าอย่างไรผู้ที่ยังไม่ศรัทธายังไม่เลื่อมใสจะพูดกับผู้ที่มีศรัทธาเลื่อมใสอย่างนั้นหรือไม่เขากราบทูลว่า ต้องพูดแน่พระพุทธเจ้าข่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเราเล็งเห็นโทษในอาเทศนาปาฏิหารอย่างนี้จึงเหนื่อยระอารังเกียรตเรื่องอาเทศนาปาฏิหารอนุสาสนีปาฏิหารเกวัตตาก็อนุสาสนีปาฏิหารเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวิเนนี้ ยอมพรมสอนอย่างนี้ว่าท่านจงตรึกตรองอย่างนี้อย่าตรึกตรองอย่างนั้นจงใส่ใจอย่างนี้อย่าใส่ใจอย่างนั้นจงละสิ่งนี้จงเข้าถึงสิ่งนี้อยู่เถิดนี้จัดเป็นอนุสาสนีปาฏิหาริย์อย่างหนึ่งยังมีอีกเกวัตต์ตตถาคตอุบัติขึ้นมาในโลกนี้เป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ด้วยตนเองโดยชอบ สำหรับส่วนนี้ความเต็มเหมือนในสามั ญ, ญพลสูตรนะครับภิกษุชื่อว่าสมบูรณ์ด้วยศีลเป็นอย่างนี้แลบรรลุปฐธมชฌานอยู่นี้จัดเป็นอนุสาสนีปาฏิหาริย์อย่างหนึ่งบรรลุทุติยฌานอยู่บรรลุตติยฌานอยู่บรรลุจตุตถาฌานอยู่น้อมจิตไปเพื่อยานณนัศนะนี้จัดเป็นอนุสาสนีปาฏิหาริย์อย่างหนึ่ง รู้ชัดว่าไม่มีคิดอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปนี้จัดเป็นอนุสาสนีปฏิหารอย่างหนึ่งเกวัตตาเราทำให้แจ้งปฏิหารสามอย่างนี้ด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วจึงประกาศให้รู้กันเรื่องภิกษุแสวงหาความดับของมหาภูตรูปเกวตตา เรื่องเคยมีมาแล้วภิกษุรูปหนึ่งในหมู่ภิกษุเกิดความคิดคำหนึ่งว่ามหาภูตรูปสี่คือปัตตวีธาตุอาโปธาตุเตโชธาตุและวายโยธาตุย่อมดับสนิทที่ไหนหนอหมายเหตุหมายถึงธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟและธาตุลมนะครับที่นั้นแหละภิกษุจึงเข้าสมาธิถึงขั้นที่จิตตั้งมั่นจนเห็นทางไปเทวโลก ครั้นแล้วเธอเข้าไปหาพวกเทพชั้นจ่าตุกมหาราชิกาแล้วถามคําถามนี้พวกเทพชั้นจ่าตุกมหาราชิกาตอบว่าพวกเราไม่ทราบแต่เท้ามหาราชสี่องค์ซึ่งยิ่งใหญ่และสําคัญกว่าพวกเราคงจะทราบเธอจึงเข้าไปหาเท้ามหาราชทั้งสี่องค์ท้ามหาราชทั้งสี่องค์ตอบว่าแม้พวกเราก็ไม่ทราบแต่พวกเทพชั้นดาวดึงซึ่งยิ่งใหญ่และสําคัญกว่าพวกเราคงจะทราบ เธอจึงเข้าไปหาพวกเทพชั้นดาวดึงพวกเทพชั้นดาวดึงตอบว่าแม้พวกเราก็ไม่ทราบแต่เท้าสักกะเทวราชผู้ยิ่งใหญ่และสําคัญกว่าพวกเราคงจะทราบเธอจึงไปหาเท้าสักกะเทวราชได้คําตอบว่าแม้เราก็ไม่ทราบแต่พวกเทพชั้นยามาเทพบุตรชื่อสุยามพวกเทพชั้นดุสิตเทพบุตรชื่อสันดุสิตพวกเทพชั้นนิมานรดีเทพบุตรชื่อสุนิมิต พวกเทพชั้นปรานิมมิตตะวะสาวตีเทพผบุตรชื่อวสาวดีซึ่งยิ่งใหญ่และสําคัญกว่าพวกเราคงจะทราบเธอจึงเข้าไปหาเทพบุตรชื่อวสาวดีเมื่อเธอถามอย่างนี้เทพผบุตรตอบว่าแม้เราก็ไม่ทราบแต่พวกเทพผู้นับเหนืองในหมู่พรมซึ่งยิ่งใหญ่และสําคัญกว่าเราคงจะทราบทีนั้นแหละภิกษุจึงเข้าสมาธิถึงขั้นที่จิตตั้งมั่น จนเห็นทางไปพรหมโลกครั้นแล้วเธอเข้าไปหาพวกเทพผู้นับเนื่องในหมู่พรหมพวกเทพผู้นับเนื่องในหมู่พรหมตอบว่าแม้พวกเราก็ไม่ทราบแต่พระพรหมผู้เป็นเท้ามหาพรหมผู้ยิ่งใหญ่ไม่มีใครคมเหงได้เห็นทองแท้เป็นผู้กุมอำนาจเป็นอิสระเป็นผู้สร้างผู้บรรดาลผู้ประเสริฐผู้บงการผู้ทรงอำนาจเป็นบิดาของสัตว์ผู้เกิดแล้ว และกำลังจะเกิดซึ่งยิ่งใหญ่และสำคัญกว่าพวกเราคงจะทราบเธอถามว่าท่านผู้มีอายุเวลานี้เท้ามหาพรหมอยู่ที่ไหนพวกเทพเหล่านั้นตอบว่าแม้พวกเราก็ไม่รู้ที่อยู่ของเท้ามหาพรหมหรือทิศทางที่เท้ามหาพรหมอยู่แต่มีนิมิต ท, ที่สังเกตได้คือแสงสว่างเกิดขึ้นโอภาษปรากฏขึ้นเท้ามหาพรหม ก็จะปรากฏพระองค์ด้วยการที่แสงสว่างเกิดขึ้นโอภาษปรากฏขึ้นนี้จะเป็นบูราพานิมิตแห่งการปรากฏของเท้ามหาพรหมต่อมาไม่นานเท้ามหาพรหมได้ปรากฏพระองค์ขึ้นลำดับนั้นภิกษุนั้นเข้าไปหาเท้ามหาพรหมแล้วถามคำถามเดิมเท้ามหาพรหมตอบว่าเราเป็นพรหมผู้เป็นเท้ามหาพรหมผู้ยิ่งใหญ่ ไม่มีใครคมเหงได้เห็นทองแท้เป็นผู้คุมอำนาจเป็นอิสระเป็นผู้สร้างผู้บรรดาลผู้ประเสริฐผู้บงการผู้ทรงอำนาจเป็นบิดาของสัตว์ผู้เกิดแล้วและกำลังจะเกิดแม้ครั้งที่สองภิกษุนั้นกล่าวกับเท้ามหาพรหมว่าท่านผู้มีอายุอัตมาไม่ได้ถามท่านว่าท่านเป็นพระพรหมผู้เป็นมหาพรหมผู้ยิ่งใหญ่ แต่อัตมาถามท่านอย่างนี้ว่ามหาภูตรูปสี่คือปัทวีธาตุอาโปธาตุเตโชธาตุและวาโยธาตุย่อมดับสนิทที่ไหนแม้ครั้งที่สองเท้ามหาพรหมก็คงตอบเหมือนเดิมแม้ครั้งที่สามพิจุนั้นกล่ากับเท้ามหาพรหมว่าท่านผู้มีอายุอัตมาไม่ได้ถามท่านว่าท่านเป็นพระพรหมผู้เป็นมหาพรหมผู้ยิ่งใหญ่ อาตมาถามท่านอย่างนี้ว่ามหาภูตรูปสี่ย่อมดับสนิทที่ไหนท่านใดนั้นท้ามหาพรมนั้นจับแขนภิกษุนั้นพาไปณที่สมควรแล้วกล่าวว่าภิกษุพวกเทพผู้นับเนื่องในหมู่พรมเข้าใจว่าไม่มีอะไรที่พระพรมไม่ได้รู้ไม่ได้เห็นไม่ได้ทราบไม่ได้ประจักษ์แจ้งดังนั้นเราจึงไม่ตอบต่อหน้าพวกเทพเหล่านั้นว่า แม้เราก็ไม่ทราบที่ที่มหาปุตรรูปสี่คือปัทวีธาตุอาโปธาตุเตโชธาตุและวาโยธาตดับสนิทเหมือนกันฉะนั้นการที่ท่านละเลยพระผู้มีพระภาคแล้วมาหาคําตอบเรื่องนี้ภายนอกนับว่าทำผิดนับว่าทำพลาดไปเถอะภิกษุท่านจงไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคแล้วทูลถามปัญหานี้และพึ่งจําไว้ตามที่พระผู้มีพระภาคตรัสตอบ ลำดับนั้นภิกษุได้หายไปจากพรหมโลกมาปรากฏ ต, ต่อหน้าเราเปรียบเหมือนคนแข็งแรงเหยียดแขนออกหรือพับแขนเข้าฉะนั้นเธอกราบเราแล้วนั่งลงณที่สมควรถามเราว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญมหาภูตรูปสี่คือปัตวีธาตอาโปธาตเตโชธาตและวายโยธาติยอมดับสนิทที่ไหนหนอ แ, แล เมื่อเธอถามอย่างนี้เราได้ตอบว่าภิกษุเรื่องเคยมีมาแล้วพวกพ่อค้าเดินเรือทะเลนํานกติรทัตสีลงเรือไปเมื่อมองไม่เห็นฝั่งพวกเขาจึงปล่อยนกติรทัศสีไปนกนั้นบินไปอย่างทิศตะวันออกทิศใต้ทิศตะวันตกทิศเหนือทิศเบื้องบนและทิศเฉียงถ้ามันยังแลเห็นชายฝั่งรอบๆก็จะบินเลยไป ถ้ามันแหลไม่เห็นฟังโดยรอบ ก, ก็จะบินกลับมาที่เรือ น, นั้นอีกภิกษุเธอก็เช่นกันเที่ยวสาะหาไปจนถึงโรมโลกก็ยังไม่ได้คำตอบของปัญหานี้ในที่สุดต้องกลับมาหาเราปัญหานี้เธอไม่ควรถามว่ามหาพุตรูปสี่คือปัทวีธาตอาโปธาตเตโชธาตและวายโยธาตย่อมดับสนิทที่ไหนหนอแล แต่ควรถามอย่างนี้ว่าปัทวีธาตุอาโปธาตุเตโชธาตุวาโยธาตุย่อมตั้งอยู่ไม่ได้ในที่ไหนอุปาทายรูปที่ยาวและสั้นละเอียดและหยาบงามและไม่งามย่อมตั้งอยู่ไม่ได้ในที่ไหนนามและรูปย่อมดับสนิทในที่ไหนในปัญหานั้นมีคําตอบดังนี้ปัทวีธาตุ อาโปธาต์เตโชธาต์วาโยธาต์ยอมตั้งอยู่ไม่ได้ในวิญญาณซึ่งเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นไม่มีที่สุดวิญญาณในที่นี้หมายถึงพระนิพพานแต่มีท่าข้ามโดยรอบในที่นี้หมายถึงกรรมฐาน38ประการอุปาทายรูปที่ยาวและสั้นละเอียดละหยาบงามและไม่งาม ก็ย่อมตั้งอยู่ไม่ได้ในวิญญาณคือพระนิพพานนี้เช่นเดียวกันนามและรูปย่อมดับสนิทในวิญญาณคือพระนิพพานนี้เช่นเดียวกันเพราะวิญญาณดับไปวิญญาณตรงนี้คือเจริมะกะวิญญาณบ้างอภิสังขารรวิญญาณบ้างนามและรูปนั้นก็ย่อมดับสนิทในที่นั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสพาสิทธินี้แล้ว บุตรขหาบดีชื่อเกวัตตะมีใจยินดีชื่นชมพาสิทธิของพระผู้มีพระภาคแล้วแหละจบเกวัตตะสูตร